จริงๆฟิสิกส์เนี่ยมันใช้ในการวิเคราะห์คดีฆาตกรรมในหลายส่วนนะครับแต่วันนี้เพื่อให้มันไม่น่าสยองจนเกินไปเราคุยกันแค่เลือดก็พอเลือดเนี่ยมันก็เป็นของของเหลวพอกระเด็นออกมาเนี่ยมันมีแรงตดันอากาศมันก็ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของมันถ้าเราใช้แบบจําลองที่มีแรงต้านอากาศผลหรือจุดที่เกิดเหตุจริงๆมันก็จะแม่นเข้าไปอีกนี่มันฟิสิกส์เลยนะพวกการคํานึงถึงการตกอย่างอิสระแล้วก็พอใส่แรงต้านอากาศเข้าไปมันก็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 จริงมีเพียงหนึ่งเดียวค่ะวันนี้ไม่ได้มาชวนไขคดีเล่นๆ น, นะคะแต่ว่าเราจะใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาไขาคดีกันเคยเห็นแต่ในหนังนะคะแต่ว่าวันนี้จะได้เห็นกันเลยว่าถ้าทุกอย่างมันคิดคำนวณแล้วก็หาคําตอบได้ตั้งแต่ในระดับแบบเอกภพเลยแล้วในชีวิตประจําวันในคดีฆาตกรรมเนี่ยวิทยาศาสตร์หรือว่าฟิสิกส์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงได้บ้างหาคําตอบด้วยกันในใดๆในโลกล้นฟิสิกส์วันนี้นะคะเช่นเคยอยู่กับฟังรัตทโรจิตพนาค่ะและผมปองแปงอัจวรงจันทมานครับ วันนี้เราแบบว่าสีสันพื้นหลังของเรานี่อาจจะดูน่ากลัวนิด น, นึงต้องออกตัวก่อนนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีภาพของคราบเลือดหรือว่าวสีหยดเลือดต่างๆเกิดขึ้นถ้าใครที่ดูแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็อาจจะพ奥斯แล้วก็หยุดไว้ได้นะคะแต่อีกช่องทางหนึ่งก็ฟังทาง Spotify หรือว่าช่องทางที่ฟังแค่เสียงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะคืออันนี้ผมอ่ะอันนี้ออกตัวเลยนะ2เรื่อง1คือผมเป็นคนที่ ดูหนังสยองอ่ะไม่ได้ hmm. คืออะไรที่เป็นเรื่องน่ากลัวแบบแห ว, ว, วะเลือดสาดมากๆอ่ะไม่โอเคก็เลยคิดว่าตอนเนี้ยน่าจะน่าจะน่ากลัวนะแล้วพอไปทำกับพบว่าเอ้ยมันมีเรื่องน่าสนใจเยอะในทางฟิสิกส์ด้วย hmm. นะครับแล้วอีกเรื่องที่ต้องออกตัวนิด น, นึงก็คือว่านิติยวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในความเชี่ยวชาญของผมดังนั้นวันนี้ ก็จะเจาะไปที่ฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องเป็นหลักนะครับอ่ะโอเคทีนี้เราเราดูหนังเราก็จะเห็นแบบการไขคดีที่ดูมีความเป็นมืออาชีพอะไรอย่างงี้พี่คดีแบบไหนบ้างที่วิทยาศาสตร์หรือว่าฟิสิกส์เนี่ยเข้ามาช่วยในการไขหรือหาคําตอบได้คดีแบบไหนที่วิทยาศาสตร์ช่วยใช่ไหมผมว่าทุกคดีคือคดีฆาตกรรมเนี่ยนะครับเวลาเราจะรู้ว่า สถานการณ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นสิ่งที่เกิดไปแล้วเราอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนไปถึงขั้นที่ว่าคนร้ายเป็นใครเนี่ยอวิทยาศาสตร์หรือนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเข้ามาตอบคาถามนี้และมันต้องเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่รัดกรุมชัดเจนมากเพราะมันเป็นเรื่องของชีวิตคนเพราะมันโอเคโอเคมันอินไปนิดนึงมันเป็นเรื่องของผู้ที่สูญเสียและเป็นเรื่องของการเอาผิดคนให้ถูกต้องดังนั้นเรื่องเนี้ย สำคัญมากครับก็คือต้องมีหลักการอะไรที่รองรับแล้วก็พิสูจน์ได้จริงๆแหละไม่ใช่แบบเออ อ, อพูดเอาเองไม่ใช่อนึกมโนเอาอใช้การนั่งหลับตาหรือการความเชื่อหรือการใช้อารมณ์อ ม, มันต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไปพูดว่าเกิดอะไรขึ้นและใครเป็นคนทําผิดแน่ๆค่ะซึ่งอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากดังนั้นมันจะต้องใช้ศาสตร์มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นฟิสิก เคมีสารเคมีต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับยาพิษหรืออะไรต่างๆชีววิทยาคื อ, อเรื่องของศพเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นเรื่องของชีววิทยาว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรตรงนี้ก็จะต้องไปศึกษาด้วยชีวะลว้ดังนั้นมันจะมีองค์ประกอบเยอะมากในการศึกษานิติวิทยาศาสตร์มันเป็นศาสตร์ก้อนใหญ่มากๆเลยนะครับและถามว่าจําเป็นแค่ไหนจําเป็นมากมเพื่อให้อย่างที่บอกมันถูกต้องแน่ๆค่ะแล้ววันนี้เราจะเจาะลงไปที่ฟิสิก โอเคเราจะไปดูที่องค์ประกอบไหนคะข อ, ของของคดีฆาตกรรมจริงๆฟิสิกส์เนี่ย ม, มันใช้ในการวิเคราะห์คดีฆาตกรรมในหลายส่วนนะครับแต่วันนี้เพื่อให้มันไม่น่าสยองจนเกินไปเราคุยกันแค่เลือด ก, ก็พอนะครับหรือไอาการใช้ฟิสิกส์ในการวิเคราะห์เลือดเนี่ยเขาเรียกว่า bloodstain analysis ก็คือการวิเคราะห์คราบเลือดเนาะทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีที่ช่วยในการจับคนร้ายเนี่ยจริงๆมันเยอะแต่ไมหมดไม่ว่าจะเป็นการตรวจ DNA การตรวจหาลายนิ้วมือ การวิเคราะห์อะไรต่อมีอะไรสารเคมีหรือแม้แต่กล้องวงจรปิด อ, ะอ่ะโอ้โหคือยุคไม่มีกล้องวงจรปิดเนี่ยนียายสืบสวนสอบสวนเนี่ยสนุกมากเพราะว่าพระเอกหรือนักสืบได้แสดงอัจฉริยภาพเต็มที่แต่พอมีกล้องวงจรปิดเนี่ยผมว่าแต่งยากขึ้นนะออืมีหลักฐานชัดเจนเลยมันชัดอะ่ะใครเข้าใครออกอะไรยังไงนะแต่ทีนี้ถามว่าหลักฐานจากกล้องวงจรปิดกับดีเนเนี่ยบางทีก็ต้องอาศัยหลักฐานอื่นๆร่วมด้วยและในทางกลับกันนะครับ หลักฐานที่มาจากหยดเลือดวิเคราะห์คราบเลือดเนี่ยก็ต้องอาศัยหลักฐานอื่นๆประกอบร่วมด้วยอย่างที่บอกเพราะว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันมันฟันธงชัดเจนค่อนข้างยากมันต้องอาศัยเขาเรียกว่าหลักฐานแวดล้อมหลายหอย่างเนาะดังนั้นวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเลือดโอเคแดมิบีบลต้องทําหน้าแบบสยองด้วยถ้าเรามาดูที่เลือดพี่หม่องแปงเลือดเนี่ยมันบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคนเราได้บ้างเอาอย่างนี้ก่อนค่ะ มนุษย์เราเนี่ยมีเลือดอยู่ในร่างกายพอมันหยดออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเลือดเนี่ยบอกเอานำไปตรวจดีเอ็ได้ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยนะเป็นใครเป็นอะไรยังไงผู้เสียเลือดเป็นใครแล้วก็เลือดเนี่ยบอกโรคภัยได้ระดับหนึ่งเลยอเหมือนเราตรวจเลือดตัวสุขภาพใช่ตรวจสุขภาพบอกได้ว่าใช้ยาเสพติดใช้ยาอะไรแค่ไหนอย่างไรอันนี้บอกอได้ระดับหนึ่ง แต่ที่จะเล่าในวันนี้มันเกี่ยวกับฟิสิกส์เนาะ อ, อย่างแรกเลยพอเลือดหยดออกมาครับพอโดนนิดบาดเป็นเลือดมันก็จะเป็นแข็งตัวประสานเนาะดังนั้นหยดเลือดเนี่ยก็จะเกิดการแห้งเหมือนกันให้ทายเวลาแห้งเนี่ยตรงไหนแห้งก่อนตรงที่มันมมาม ห, หยดลงมาตรงๆแล้ว ม, มันเป็นวงกลมแล้วกัน ถ้าเรานึกถึงสีน้ําอ่ะสมมุติว่าหยดลงมาตอนที่มันหนานๆก็น่าจะเป็นตรงกลางปะแล้วก็ขอบๆมันก็น่าจะหยดกระจายออกไปแล้วก็น่าจะบางมันเขาเรียก อ, อะไมีปริมาณเลือดน้อยอ่ะน่าจะแห้งก่อนน่าจะแห้งก่อนใช่ไหมคือจริงๆกลไกการการแข็งตัวของเลือดคือการค l o t t i n g พวกนี้นะมันซับซ้อนเอาเป็น <c oughs> ว่าบอกผลเลยก็คือคราบเลือดโดยทั่วไปเนี่ยขอบมันจะแห้งก่อนนะครับเอาลองดูรูปครับตึง อันนี้เอามาจากงานวิจัยนะฮ ะ, ะเขาทําวิจัยแสดงให้เห็นเลยน ะ, ะว่าเลือดเนี่ยเรียงไปอย่างนี้น ะ, ม, ะมันจะแห้งจากขอบเข้ามาหาตรงกลางคือถ้าเราเห็นเนี่ยจากเข้มๆพึ่งหยดเนี่ยมันก็จะค่อยๆแห้งจากขอบอแล้วพอฟอร์มโครงสร้างที่ขอบปุ๊บเนี่ยถ้าเลือดนี่มัมนมีปริมาตรมากนะฮะตรงกลางอาจจะมีลักษณะเป็นแอ่งเขาเรียกว่าพูล ก็คือมันก็ยังเป็นของของเหลวอยู่<ะ>แล้วพอผ่านไปนานมากทั้งหมดก็จะเริ่มแห้งแล้วก็แตกออกมาแบบนี้อดังนั้นการวิเคราะห์คราบเลือดว่าตอนที่ไปพบศพหรือไปที่เกิดเหตุเนี่ยเลือดมันแห้งไปมากน้อยแค่ไหนแล้วมันช่วยให้กัดเวลาคร่าวๆได้ว่าตอนเกิดเหตุจนถึงตอนไปพบเนี่ยช่วงเวลามันห่างกันแค่ไหนแล้วนอกจากนี้เนี่ยตัว ตัวหยดเลือดเองนะฮะถ้าดูอ่าดูรูปนี้รูปที่สองสเนี่ยซูมเข้ามาใกล้ๆอ่าจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยเป็นแอ่งเลือดเนาะ<ๆ>เขาเรียกภูนะครับแล้วก็บริเวณที่เป็นขอบขอบเนี่ยมันจะเริ่มแครกหรือมีรอยแตกซึ่งเขาก็ศึกษาไปถึงขั้นที่ว่ารอยแตกเนี่ยมักจะมีลักษณะเป็นเรเดียลแตกเป็นเหมือนรัศมีออกไปจากตรงกลางเฉียงออกไปจากตรงกลางคือแผ่ออกไปโดยรอบอรู้ไมว่าเขาศึกษาไปทาไม ไปทําไมอะคะต้องรู้ทิศทางของมันเนี่ยเหรอว่ามันแตกยังไงเพราะอย่างน้อยที่สุดถ้าเรารู้สภาพธรรมชาติของมันแล้วอะพอมีอะไรที่บังคิดธรรมชาติเนี่ยเราถึงจะรู้เราต้องรู้ธรรมชาติก่อนแล้วพออะไรที่บังคิดไปจากธรรมชาติเราถึงจะรู้ได้เนาะดังนั้นผู้นี้ติดวิทยาศาสตร์ในทาง ทฤษฎีในทางการทดลองเนี่ยเขาศึกษาละเอียดเลยว่าธรรมชาติของเลือดตอนหยดออกมาพวกนี้ ม, มันเป็นยังไงหยดโดยที่หยดตามธรรมชาติไม่ได้มีใครไปแต่งไ ป, ไ, ไปเปลี่ยนแปลงหลักฐานอะไรใดๆใช่ทีนี้ถามว่าถ้ามีคนไปเปลี่ยนแปลงอน้องฟังพูดมามถูกเลยสมมุติว่าถ้ามีคนพยายามไปทำลายหลักฐานอะทำลายหลักฐานอาจจะเช็ดล้างหรืออะไรยังไงหรือแม้แต่ในตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีเรื่องของน้ําอะไรศากรกัลเคนไปโดนเลือดเนี่ยรูปแบบการหยดจะเป็นยังไง เขาก็ทำการทดลองอจะเห็นว่าพอเลือดมีความเจือจางเนี่ยนะฮะคือโดนอะไรสักอย่างอย่างเป็นน้ำเข้าไปผสมเข้าเนี่ยรอยการหยดของเลือดเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าริ n g พ a เ t e r n เกิดขึ้นก็คือขอบเนี่ยมันจะหนาคือมันจะเป็นบริเวณขอบมันจะเป็นเส้นที่ เข้มกว่าตรงกลางเขาเรียกริงแพทเทิร์นก็จะมีโซนที่แบบว่ามันดูอ่อนสีอ่อนกว่าเพื่อนด้วยตรงกลางมันก็จะอ่อนอ่อนหน่อยขอบมันจะหนาเป็นเป็นเป็นริงตรงนี้ก็พอบอกได้คร่าวๆว่าความเข้มข้นเจือจางของหยดเลือดเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรมันมีอย่างอื่นไปผสมหรือเปล่าถ้าอย่างอื่นที่ผสมมีอะไรมันควรค่าแก่การตรวจหรือไม่อย่างไรนะครับคือเขาต้องทําในลักษณะพื้นผิวต่างๆสถานการณ์ต่างๆเพื่อจะได้เป็นความรู้ครับว่า พอถึงส ถ, ถานการณ์จริงเนี่ยเราจะได้มีความรู้มาหยิบใช้ได้ทันท่วงทีเนาะอืมก็คือแบบว่านอกจากเราจะรู้เวลาจากการแห้งของมันแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ด้วยว่ามีใครไปทําอะไรหรือปน<ม>เปื้อนอะไรหรือเปล่ามีการอื่นผสมมากน้อยอแค่ไหนใช่ดูจากว่ามีริงแพทเทิร์นปรากฏชัดแค่ไหนอย่างไรค่ะนะค่ะแล้วฟิสิกส์เข้ามาเกี่ยวกับการไขคดีกับเลือดนี้ยังไงต่ออีกบ้างคะจริงจริงนี้ก็เป็นฟิสิกส์แล้วคือเลือดเนี่ยพอยด์ไปเนี่ยมันเป็นของของเหลวเนาะ ซึ่งข้นกว่าน้ํา<ม>เลือดข้นกว่าน้ำํำ<ม>พอมันหยดออกมาปุ๊บมันก็จะแห้งนะครับซึ่งการแห้งเนี่ยมันก็ใช้ฟิสิกส์ในการอธิบายหลายอย่างคจริงๆมันมีคําอธิบายที่ว่าทําไมมันต้องแห้งจากขอบเข้ามาตรงนี้มันลึกมากไปหาอ่านเองแล้กัน<ม>เป็นงานวิจัยเลย<ม><ม>นะครับแล้วก็ถ้าถามฟิสิกส์ที่ชัดเข้าไปอีกพอเรามีแผลเราเลือดหยดลงมาจริงๆถ้ากลัวเลือดก็เอาน้ํากาแฟก็ได้อ<ม>หยดกาแฟเนี่ยตกลงมานะครับแล้วมันกระจายออกเนาะ ปกติแล้วเนี่ยมันก็จะถ้าตกมาตรงๆมันก็จะมีลักษณะเป็นวงกลมค่ะทีนี้วงกลมเนี่ยถ้ามันตกสูงขึ้นมันก็มีแนวนมที่จะกระเด็นเรกระจายเป็นวงใหญ่ขึ้นนะครับตรงนี้ก็พอจะกะคร่าวๆได้ว่าจุดที่เลือดออกเนี่ยมันสูงจากพื้นแค่ไหนแล้วก็ถ้ามันไม่ตรงมันก็จะมีลักษณะไม่เป็นวงกลมมันก็จะมีลักษณะเป็น เ, เส้นเฉียง ๆ, ๆและถ้าเราลากเส้นนะครับ ต่อแนวการหยดของมันคือแนวการกระเด็นของมันมันจะไปตัดที่จุดหนึ่งเขาเรียกว่า area of convergence หมายถึงว่าจุดตัดนั่นแหละนะแล้ว area of convergence มันทำให้เรากะคร่าวๆได้ว่าจุดที่เลือด ก, กระเด็นออกมาคือจุดไหนเขาเรียกว่า area of origin เขาใช้คาว่า area นะไม่ใช่ point คือมันกะ ก, กว้างๆแต่อย่างไรก็ตามพอลากเข้าไปเนี่ยมันจะกะได้ว่าเลือดเนี่ยกระเด็นออกมา ที่ระดับความสูงและตำแหน่งประมาณไห น, นแลก็คือตำแหน่งที่มันเกิดเหตุหรือว่ามีแผลหรือว่าถูกอะไรต่างๆอยู่ตร ง, ตรงไห น, ไหนและตอนนั้นผู้เสียชีวิตหรือเหยื่อเนี่ยอยู่ในท่าไหนเขานอนอยู่เขานั่งหรือเขายืนและมันสอดคล้องกับแผลที่เราพบที่ศพหรือไม่มรวมทั้งสอดคล้องกับคำให้การและหลักฐานแวดล้อมอื่นๆหรือไม่ด้วยดังนั้น การใช้แนวทางการหยดของเลือดกระเด็นของเลือดมาหาจุด area of origin เนี่ยก็เป็นการใช้ฟิสิกส์นะและที่สำคัญคือน้องฟางต้องคิดนะว่าเลือดมันหย ด, ดมาเนี่ยมันไม่ใช่หยดเดียวนะ ม, มันหลายหยดจะไปลากแบบด้วยมือเนี่ยบางทีมันมันไม่ไหวเขาก็ใช้การเก็บข้อมูลนะครับแล้วนำคอมพิวเตอร์ไปวิเคราะห์ใช้ simulation ของคอมพิวเตอร์เนี่ยช่วยในการวิเคราะห์แต่งานวิจัยที่ ทำละเอียดเข้าไปอีกก็จะคนเพราะว่าถ้าลากเส้นตรงไปเนี่ยบางทีมันมันคาดเคลื่อนเยอะอคุณจะต้องคำนึงถึงผลของแรงโน้มถ่วงด้วยเพราะว่าเลือดเนี่ยพอมันกระเด็นออกมาโดยเฉพาะพุ่งออกมาเนี่ยนะครับมันพุ่งเป็นโค้งมันไม่ได้พุ่งเป็นเส้นตรงคำถามครับโค้งรูปอะไรโค้งรูปอะไรถายดูโค้งรูปตัวยู่เป็น มันเป็นโค้งทางคณิตศาสตร์อ่ะมันก็เป็นเธอคือถ้ามันถ้าเราโยนของอ่ะใช่เขาเรียกว่าโค้งรูปพาราโบลาอ่ะมีควิสดังนั้นมันก็จะโค้งเป็นรูปพาราโบลานะครับทีนี้ถ้าเอาเรื่องนี้มาคิดด้วยเราก็จะหาจุดออริจินที่ใกล้เคียงความจริงได้มากขึ้นทีนี้เลือดที่มันหยดกระเด็นออกมาเนี่ยถ้าเราทําเอารากเป็นเส้นตรงมันก็จะเห็นไหมว่าจุดตัดเนี่ยมันสูงเกินไปมันผิดเยอะแต่ถ้าใช้แค่พาราโบลาก็จะเป็นเส้นประสีน้ําเงินก็อาจจะ ใกล้เคียงขึ้นมาหน oy, <S <S ่อยแต่ก็ยังไม่ชัดเจนมากนะครับเส้นสีดำเนี่ยเป็นเส้นที่คำนึงถึงแรงต้านอากาศด้วยแร ง, <Like S 2> งต้านอากาศเหรอคะใช่ก็เลือดเนี่ยมันก็เป็นของของของเหลวพอกระเด็นออกมาเนี่ยมันมีแรงต้านอากาศมันก็ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของมันถ้าเราใช้แบบจำลองที่มีแรงต้านอากาศผลหรือจุดที่เกิดเหตุจริงๆมันก็จะแม่นเข้าไปอีกค่ะที่มันฟิสิกส์เลยนะพวกการคานึงถึงการ ตกอย่างอิสระแล้วก็พอใส่แรงดังอากาศเข้าไปมันก็ใกล้เคียงความจริงมากขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าหยดเนี่ยมันมีรูปร่างหลายแบบน ะ, ะบางทีนัดวิเคราะห์หยดเลือดก็อาจจะแบ่งหยดเลือดตามความเร็วตอนมันกระแทกกับพื้นกระเด็นกับพื้นได้3แบบแบบแรกก็คือความความเร็วต่ำ<ะ>ํำก็คือหยดแล้วก็ไหลซึมออกมาเลยแบบนี้คือความเร็วต่ําไอ้แบบนี้ก็อาจจะเป็นเกิดจากอย่างหนึ่งนะฮะอาจจะเกิดจาก เลือดที่กระเด็นออกไปเป็นก้อนมากๆแล้วมันอาจจะค่อยๆไหลซึมออกมาหรือถ้ามันมีลักษณะเป็ น, นรียวๆนะครับเป็นเป็นเส้นเรียวๆก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีความเร็วปานกลางนะ <sûr> ความเร็วแบบปานกลางก็อาจจะเกิดจากอาวุธ ท, ที่มีลักษณะเป็นมีคมแล้วก็แทงเข้าไปแล้วก็มีการสะบัดออกมา <î> นะฮะหรือว่าอาจจะเกิดจากการทุบหรืออะไรพวกนี้นะไอ้พวกนี้ก็จะเป็นหยดที่มีความเร็วปานกลางแต่หยดที่เป็นฝอยเล็กๆพวกนี้น ก, <า>ก็อาจจะเกิดจากหยดที่มีความเร็วสูง ซึ่งเกิดจากพวกอาวุธปืนหรือพวกวัตถุระเบิดพวกนี้นคือบอกเหตุได้ว่าเหตุที่ถูกทำร้ายหรือว่าทำให้เสียชีวิตนั้นคืออะไรคร่าวๆ ร, ระดับหนึ่งนะ อ, อย่างที่บอกมันเข้าวๆไปหมดเพราะมันจะต้องไป อ, อิงจากหลักฐา น, นอื่นๆด้วยแล้วก็ทุกวันนี้งานวิจัยเกี่ยวกับ blood splatter เนี่ยนะครับก็มีอยู่เต็มไปหมดเลยนะและถึงวันนี้ผมอ่านงานวิจัยล่าสุดปี2021 เขาถึงขั้นมีงานวิจัยตั้งข้อสงสัยว่าแบล็กสเปกเตอร์ที่เขาล่ําเรียนกันมาเนี่ยมันเชื่อได้ร้อเอร์ซหรือเปล่า ม, มันมันมันสอดคล้องกับหลักฐานอื่นหรือไม่ซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องดีคือวิทยาศาสตร์เนี่ยพอทำทำไปเนี่ยมันจะมีการโต้แย้งเสมอแล้วมันจะทําให้คนเริ่มตระหนักว่าเอ๊ะอันไหนเราควรจะเชื่อมากน้อยแค่ไหนและสิ่งที่เรามีเราควรจะพัฒนาต่อยอดไปทางไหนอย่างไร<ฆ>นะครับแม้แต่ทางนิติวิทยาศาสตรเ์ราารเองก็มีการวิจัยตรงเนี้เพื่อให้อ่า การพยายามหาคนผิดเนี่ยมันแม่นขึ้นเรื่อยๆออแล้วทีนี้มีคําถามหนึ่งว่าถ้าที่เราดูกันมาเนี่ยเราจะใช้เลือดเนี่ยเป็นตัวหลักในการแบบว่าที่จะไขคดีเนาะแล้วถ้าเกิดว่ามีการเช็ดเลือดเกิดขึ้นหรือว่ามีการทําลายหลักฐานเกิดเราจะทําไงใช่ไหมใช่จริงๆอย่างที่บอกนะครับ เลือดเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักในทุกคดีนะก็มันมีหลายอย่างประกอบกันตรงนี้ต้องออกตัวหน่อยแล้วก็ถ้ามีคนเช็ดเลือดทาไงจริงๆต้องบอกว่าโชคดีมากที่ตรงนี้เนี่ยได้แบบในโลกล้วนฟิสิกส์ได้รับความร่วมมือนะครับอย่างเป็นทางการจากเคมีได้แบบในโลกล้วนเคมีซึ่งเป็นรายการที่ยังไม่มีคือมันมีสารเคมีตัวหนึ่งชื่อลูมิโนลลูมิโนลเนี่ยเป็นสารเคมีมันอยู่ในโคนาจรนงเหรอนอยู่ในโค น, นั้นจริงอันนี้จริงใช่ไหมจริงโอเคก็ ลูมิเนลเป็นสารเคมีที่สามารถช่วยทําให้เรามองเห็นหยดเลือดที่มันถูกเช็ดออกไปแล้วได้เพราะว่าลูมิเนลเป็นสารเคมีที่ทํำตริยากับกับเลือดละกันนะครับแล้วมันก็จะเปล่งแสงออกมาเป็นเรืองแสงเลยเป็นแสงสีน้ําเงินอ่อนๆนะครับแสงสีฟ้าอ่อนๆนะแต่การใช้ลูมิเนลเนี่ยโดยทั่วไปก็จะเก็บหลักฐานอื่นๆจนกระทั่งมันครบถ้วนละไม่มีอะไรละอ่ะแล้วที่เหลือเราใช้ลูมิเนลดู เพราะว่าถ้าเราเรียบร้อนใช้เนี่ยมันก็จะไปรบกวนหลักฐานอื่นๆแล้วก็มีข้อควรระวังด้วยว่าลูมินลเองเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เรืองแสงกับเลือดเพียงอย่างเดียวสารเคมีอื่นๆบางอย่างก็ทําให้ลูมินลเรืองแสงได้ตรงนี้ก็ต้องมีการตรวจแบบลึกขึ้นไปอีกเหมือนกันจริงๆมีเรื่องนึ่งแต่มันไม่ใช่ฟิสิกส์นะขอเล่าได้ไหมได้ค่ะมีเรื่องหนึ่งผมเคยอ่านก็รู้สึกน่าสนใจคือการวิเคราะห์หนอนมแมลงวันหนอนมแมลงวันในศนนนนนนนนนนนนนวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงวงจรชีวิต คือเหมือนเป็น FC ฟซีเขาติดตามละเอียดมากใช้คำว่าเอฟซีก็งอนแมลงวันโอเคก็งอนแมลงวันว่าแบบโหมันวางไข่แบบนี้มันเข้าไปอยู่ในระยะโนี้ระยะนี้เจอศพแบบนี้เพราะการระบุช่วงเวลาของการเสียชีวิตเนี่ยไปดูเรื่องเกี่ยวกับคราบเลือดอย่างเดียวก็ไม่พอไปดูเรื่องรอยช้าเลือดซึ่งมันยากนะไอการหาหาว่าเวลาเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดและเกิดในที่ลับเนี่ยมันจําเป็นจะต้องดูอย่างอื่นแล้ว ศพเนี่ยถ้ามันอยู่ในที่ที่มันพร้อมที่จะเย่อเน่าสลายไปเนี่ยมันก็มันก็ดูยากนอนแมลงวันเป็นพระเอกที่ต้องที่เออผมว่ามันน่าสนใจแต่มันก็สยองอะนะไม่รู้ทุกท่านชอบกันไหมฮะตอนนี้เล่าไปแล้วก็เริ่มอยากไปกินต้มเลือดหมูแล้วหิวคือคือฟังเมื่อกี้แล้วไม่ได้อยากกินต้มล้อนหมูกับพี่นะแต่ว่ารู้สึกว่าเออมันน่าทึ่งนะที่หลักการอะไรที่มันอยู่ในห้องเรียนแล้วมันดูแบบ อะไรวะแต่ว่าพอมายกใช้กับคดีอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่มันสนุกขึ้นมาสนุกไหมจริงๆแล้วสนุกนะฟังรู้สึกว่ายฟิสิกส์มันดูมีมิติอื่นๆด้วย <c oughs> ซึ่งจริงๆในคดีแบบนี้มันยังมีหลักการอื่นๆที่เราใช้ฟิสิกส์เข้ามาช่วยได้อีกเยอะแยะเลยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับสำคัญมากเลยยกตัวยอย่างเช่นในการวิเคราะห์เรื่องของกระดูกที่แตกอของของเหยื่อผู้ค่าร้ายเนี่ยการแตกเนี่ยมันเกิดจากแรงกระทําแบบไหนอย่างไร นะครับมันเกิดจากแรงที่บีบลงมาหรือกระทําเข้ามาตร ง, ตรงกระดูบแบบนี้มันวิเคราะห์ได้แล้วกเ็เรื่องของการวิเคราะห์ลูกกระสุนปืนอันนี้ยาวเลยนะลูกกระสุนปืนเนี่ยใหญ่อย่าฟังเลยเพราะมันยาวมากเพราะว่ากระสุนปืนเนี่ยเวลาเกิดเหตุขึ้นมาซึ่งทุกวันนี้เนี่ยกระสุนปืนก็เป็นอาวุธสําคัญตัวหนึ่งที่คนร้ายใช้นะครับมันเกิดที่ระยะห่างแค่ไหนอย่างไรเป็นลูกกระสุนแบบอะไรพวกนี้ดูจากรอยแผลดูจากลักษณะเลือดดูจากเขา่าดูจากอะไรพวกนี้ ฟิสิกมันช่วยตอบได้เยอะมากอมลองมาสวมบทเป็นนักสืบไขคดีกันดูนะคะมไม่รู้ว่าฟังตอนนี้เราทุกคนชอบกันไหมหรือว่ามีเรื่องไหนที่อยากให้เราแบบ ทำต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราอยากจะลองฟังทุกคนดูนะคะจะได้เป็นแนวทางว่าตอนต่อไปเนี่ยเราจะไปต่อกันหรือว่าเราจะพอแค่นี้กับครับเลือดนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะไดๆในโลกโลวนฟิสิกส์ในตอนต่อๆไปได้นะคะในเอพิโซดใหม่ๆก็กด Subscribe ยูท t u ชาแนลของ t h อ Standard Podcast แล้วก็ฟังพวกเราในทุกๆ Podcast Player ได้เลยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ส, สัครับ